หรือว่าจะเป็นอภพยากตาประการใดพระนากเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารสุขเวทนานี้จะว่าเป็นกุศลาก็ว่าได้จะว่าเป็นอกุศลาก็ว่าได้จะว่าเป็นอภพยากตาก็ว่าได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่า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 ยังยกเอาโทมาัะเวทนาหในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจา ก, กามคุณหและโมทมานะเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสสนาปัญญาหจัดเอาอุเบกขาววเวทานาในอารมณ์แห่งบุคคลยินดีในเบญจา ก, กามคุณนั้นหจัดเอาอุเบกขาเวทนาในอารมณ์แห่งท่านได้วิปัสสนาปัญญานั้น6กสีริ enfin ได้เวทานา36นี้ จัดเป็นอดีต36เป็นอนาคต36เป็นปัจจุบัน36มสิซริเข้าด้วยกันทั้งสมนี้ได้เวทนาร้อยแปประการบอพิษพระราชสมภานจงทราบ พ, พระญาณเถิดสุข เ, ขเวทนาอันเสวยอารมณ์เป็นสุกนี้จะว่าเป็นฝ่ายกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอกุศลก็ผิดจะว่าเป็นอัพยากฤิตก็ผิดจะว่าไม่เป็นก็ผิด